วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของโลกเพื่อที่จะได้เรียนรู้ความรู้ที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบรตรัตว์ผู้ใฝ่ธรรมนั้นควรศึกษาควรทำความเข้าใจควรรู้จักมีอยู่สองสิ่งด้วยกันที่เรียกว่าหนึ่งคือกฎแห่งกรรมสองกฎของไตรลักษ อันนี้เป็นกฎที่เป็นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ให้สุขแก่ชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายพ่ออยู่ ให้นาเอาไปใช้ให้เอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆกฎทั้งสองนี้มีผลบังคับต่อร่างกายและจิตใจ กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นกฎที่มีผลบังคับกับทางร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพวกเราของมนุษย์ทั้งหลายหรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน หรือต้นไม้ใบหญ้าสิ่งที่มีการเกิดขึ้นมาในโลกนี้รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดมีลาบมียศมีสรรเสริญและความสุขที่ได้สัมผัส ผ, ผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎของตายรักตายรักนี้แปลว่าสามลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีคุณลักษณะอยู่สามประการด้วยการลักษณะที่หนึ่งก็คืออนิจจงแปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราว เป็นของที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็จะต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นได้ด้วยตาหูจมูกนิ้นกายของวกเรานี้ล้วนเป็นใตรักทั้งนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาข้อที่สองคือเป็นอนัตตา อำนตาตะแปลว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครไม่มีใครที่จะไปถือเอาว่าเป็นตัวเราของเราได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้สิ่งที่เราไปครอบครองที่เราถือว่าเป็นเราของเรานี้อยู่กับอยู่กับเราไปได้ตลอดจะ ต, ต้องมีการ พัดพากจากกันเป็นธรรมดาไม่มีใครไปเปลี่ยนกฎของอนิจจังได้ไม่มีใครไปทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าอนัตตา <c oughs> ส่วนข้อที่สามคือทุกขขังความทุกข์นี้เกิดจาก ใจที่มาสัมผัสรับรู้หรือมาครอบครองสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ยอมรับความจริงของอนิจจาไม่ยอมรับความจริงของอนัตตาคืออยากจะให้เป็นอนิจจอยากจะให้เป็นนิจจงสุขขังอัตตา เพราะความอยากนี่แหละจึงทำให้ใจทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งใดที่ใจได้มาแล้วใจมักจะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วเมื่อยึดแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่เรายึดนี้อยู่กับเราไปตลอดแต่พอสิ่งที่เรายึดเรา ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ต้องมีการเปลี่ยนไปมีการดับไปมีการจากไปใจของเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้ใจของเราทุกข์เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาครอบครองตั้งแต่นับตั้งแต่ร่างกายของเราเป็นสิ่งแรก คือเรานี้ไม่ใช่ร่างกาย เ, ยเราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่มาได้รับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราพ่อแม่คนใหม่ของเราสร้างร่างกายอันนี้ขึ้นมาแล้วใจเราที่เป็นดวงวิญญาณนี้ก็จะมาครอบครองมา ถือเป็นเอาถือเป็นตัวเราของเราขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดที่ผิดถ้ามีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าถ้าเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้พวกเราเรารู้ว่าร่างกายนี้ที่เราได้มาครอบครองนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอด ได้ร่างกายนี้มาแล้วต่อไปร่างกายนี้ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่สิ่งแรกที่เราคือดวงใจดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดนี้ได้มาเป็นสมบัติชิ้นแรกก็คือร่างกายพอเราได้ร่างกายมาแล้วพอร่างกายจเจริญเติบโต เราก็จะมีความสามารถที่จะไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาเป็นสมบัติเป็นของเราได้เช่นเราพอเราโตแล้วเรียนหนังสือจบแล้วเราก็มีความสามารถที่จะไปทำงานทําการกันไปหาหาราบหาราบหาเงินหาทองก็คือหาราบหายศหาตาแหน่ง แล้วก็หารางวีรางวัลต่างๆแล้วก็หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายคือใช้ตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดพะผะชนิดต่างๆเวลาที่เราไปหาความสุขจากการบันเทิงจากการท่องเที่ยวนี้เรียกว่าเป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพะผะ เราไปดูละครดูภาพยนตร์ดูการแสดงอะไรต่างๆแสงสีเสียงต่างๆนี่อันนี้ก็เป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผัสพะการลิ้มรสอาหารการรับประทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มก็มีการสัมผัส ด, ด้วยลิ้นด้วยจมูก เ, เรียกว่า ความสุขทางกามคุณห้าความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพสิ่งเหล่านี้ก็ลุ้นอยู่ภายใต้กฎของตายลักของคืนมันเป็นของชั่วคราวมือนได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปวันใดวันหนึ่งเช่นราบยศสรรเสริญหาเงินมาได้ พอได้เงินมาก็เอาไปใช้กันใช้กันไม่นานเดี๋ยวเงินก็หมดเงินหมดก็ต้องไปหาใหม่เวลาได้เงินมาก็จะดีใจมีความสุขแต่พอเวลาเงินหมดก็จะมีความทุกข์ใจเพราะว่าใจไม่ยอมให้หมดใจไม่อยากให้หมดความอยากไม่ให้สิ่งที่เรามีนั้นหมดไป เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าธรรมชาติของเขาทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเขาเสื่อมแล้วทาให้เราทุกข์ถ้าใจเราไม่มีความอยากไม่ให้เขาเสื่อมเวลาเขาเสื่อมแล้วใจเราจะไม่ทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเราอยากไปให้เขาไม่เสื่อมเพราะว่าเรายังไปยึดติดกับเขา เรายัางอาศัยเขาให้ความสุขกับเรานั่นเองพวกเราทุกคนอยากจะมีความสุขกันตลอดเวลาและสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราได้ก็คือลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนี่เราก็เลยใช้ทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับการหาลาบยศสารเสริญหา รูกเสียงกิ่นลดโภชภามาเสกอยู่เรื่อยโดยที่ไม่เคยศึกษาโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราหากันอยู่นี้มันจะเป็นของชั่วคราวมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปจากใจไปแม้แต่ร่างกายที่เราใช้กันเป็นเครื่องมือ หาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิก่นรสผลถะพระชนิดต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาผ่านทางร่างกายนี้ก็จะจบลงวันที่ร่างกายนี้ตายไป พอร่างกายตายไปต่อให้เรามีเงินกองเท่าภูเขาเราก็เอาไปไม่ได้เราก็คือดวงวิญญาณเอาเงินทองทั้งหลายไปไม่ได้เอายศเอาตำแหน่งทั้งหลายไปไม่ได้เอารางวัลต่างๆที่เราได้มาไปไม่ได้เอาความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิก่นรสผลธาตุชนิดต่างๆไปกับเราไม่ได้เวลาที่เราไม่มี สิ่งเหล่านี้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ใจของเราทุกข์กันคนเหล่านี้มักจะมาทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตกันช่วงที่ร่างกายนั้นมันหมดสมรรถภาพที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆได้เพราะว่าร่างกายมันก็หมดกำลังลง อาไว้ว่าต่างๆก็ชำรุดทุดโทรมตาหูจมูกนิ้นกายก็เสื่อมลงไปทำให้การหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มันค่อยน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ถ, ถึงวันหนึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆในโลกนี้ได้เลยช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยปรากฏความทุกข์ใจขึ้นมา ส่วนช่วงที่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็มีความทุกข์ใจเวลาเราได้ของที่เรารักเราชอบมาพอมันจากเราไปเราก็ทุกข์ใจกันเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่เราไม่รู้ว่าเป็นกฎธรรมชาติกฎของตจลักว่าของต่างๆมีเกิดแล้วจะต้องมีดับเป็นธรรมดามีมา ก็จะต้องมีไปไม่มีใครไปยับยั้งการไปของสิ่งต่างๆได้ยับยั้งการดับของสิ่งต่างๆหรืยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆได้สิ่งต่างๆเวลาที่เราได้มาใหม่ๆมันก็ดีไปหมดแต่พออยู่กับมันไปใช้มันไปมันก็ค่อยเสื่อมลงไปแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นมามันก็เสียขึ้นมา เครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเช่นรถยนต์เวลาซื้อมาใหม่ๆนี่มันก็ใช้ได้ดีแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็มีอาการเสื่อมขึ้นมายางเริ่มเสียยางเริ่มแตกเบรกเริ่มเสียเครื่องยนต์เริ่มเสียอะไรต่างๆมันเป็นของชั่วคราวแล้วพอมันเสียใจเราก็ไปทุกข์กับมันขึ้นมา ความทุกข์ของใจเหล่านี้มันเกิดจากความไม่อยากให้สิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เสื่อมเสียไปนั่นเองเราอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เราได้มาถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีไปซื้อรถออกมาวันแรกแล้วใช้ไปสิบปีมันก็ยังเป็นเหมือนรถออกใหม่จากจา ก, จากโชลูนรางถ้าได้อย่างนี้มันก็สบายซื้อคันเดียวไม่ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อย แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติของอนิจจังของอนัตตานี่ฉนั้นสิ่งที่เราจะต้องการต้องทำความเข้าใจต้องการต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะป้องกันความทุกข์ใจของพวกเราก็คือเราต้องยอมเราต้องเตรียมตัวรับกับความเสือ่อมความสูญเสียกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ดีไม่ว่าจะเป็นยศตําแหน่งต่างๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นรีย่ยนรางวีรางวัลอะไรต่างๆก็ดีมันไม่ใช่ว่าเราจะได้มาเรื่อยๆบองบางทีก็ไม่ได้ก็มีบางทีก็เสียไปก็มีความสุข ทางตาหูจมูกทิ้งกายก็เช่นเดียวกันบางทีก็ได้ไปเที่ยวกันบางทีก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวก็เกิดความเศร้าใจเกิดความหงอยเหงาขึ้นมานี่แหละคือสิ่งต่างๆอยู่ภายใต้กฎของตายรักนี้คือมันไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นสมบัติของเรา เราจะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้สั่งให้มันดีไปตลอดสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดนี้มันไม่ยอมทำตามที่เราสั่งพอมันไม่ยอมทำตามที่เราสั่งใจเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่รูปเสียกลิ่นรสต่างๆแต่อยู่ที่ใจใจที่ไปอยากให้มัน ไม่เสื่อมใจที่อยากจะให้มันเป็นของเราไปตลอดอยู่กับเราไปตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ที่ใจของเรามาสอนใจเราใหม่ว่าต่อไปนี้เราต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่ได้ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่รวมรวมไปถึงร่างกายของเรานี่มันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นของที่วันใดวันหนึ่งมันจะต้องมีการสิ้นสุดลงถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงเราจะทุกข์เนี่ยเพียงแต่เราคิดถึงความสิ้นสุดของร่างกายทั้งๆ ท, ที่ร่างกายตอนนี้ยังเป็นปกติดีอยู่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่เป็นอะไรแต่พอเรานึกถึงกฎของความเป็นจริงของร่างกายนี้ว่าวันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องถึงแก่ความตายได้ หรือถ้าล็น้อยกว่านั้นก็เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการได้อันนี้เป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่แน่นอนอันนี้บางคนก็ไม่พิการบางคนก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไปจนถึงวันตายเวลาตายก็บุปผกก็ตายไปเลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มี บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเวลายาวนานนอนอยู่บนเตียงไปทำอะไรไม่ได้หรือถ้าไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งบนรถเข็นให้คนเขาเข็นไปเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาสอนใจมาเปลี่ยนทัศนคติเพราะใจของพวกเรานี้มันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้แล้วมันไม่ยอมพยายามเปลี่ยนใจด้วยเพราะมัน มันคิดว่าถ้าเป็นนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันเป็นเรื่องเรื่องไม่ไม่เป็นมงคลถ้าเราไปคิดถึงความตายของร่างกายคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่เราไม่ควรจะคิดกันแต่ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นมันก็ยิ่งจะทาให้เรานี้ไม่เปลี่ยนทัศนคติเรา ก็อย่างที่จะไปคิดอยากจะให้ร่างกายของเรานี้อยู่ไปตลอดไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายแล้วพอเราไปเห็นความจริงที่นานๆจะที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเป็นตัวอย่างเห็นร่างกายคนนั้นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นร่างกายคนนั้นพิกลพิการไปเห็นร่างกายคนนั้นตายไปมันก็จะทำให้เราตกใจกันทำให้เราทุกข์กันขึ้นมา ทั้งทั้งที่ร่างกายของเรายังเป็นปกติอยู่ความทุกข์เหล่านี้เราสามารถป้องกันได้แก้ได้ถ้าเราสอนใจให้ยอมรับกฎของอนิจจังกฎของอนัตตานี้เองเราต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รวมทั้งร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวมันมีวันสิ้นสุดลงได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้บางทีก็ เป็นไปตามคิวก็คือมีอายุสูงขึ้นมากๆขึ้นไปแล้วค่อยตายไปบางคนก็แซงคิวก็มีอย่างเช่นวันก่อนเราคงได้ยินข่าวมีเด็กนักฟุตบอลในอายุสิบกว่าขวบท่านันเองอยู่ดีๆก็ตายไปอันนี้ก็ไม่มีใครคาดฝันเพราะไม่คิดกันไว้ก่อน แต่สําหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วจะรู้สึกเฉยๆจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของความตานี้มันเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของธรรมดาเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกฎตายรักณเพราะว่าคอยศึกษาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆให้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น แล้วก็พยายามสอนใจให้ยอมรับให้ได้ถ้ารับได้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนที่รับไม่ได้เพราะว่าใจยังไม่ยอมรับแต่เราก็มีวิธีที่จะทำให้มันยอมรับได้คือนอกจากการคอยสอนใจเตือนใจให้เปลี่ยนทัศนคติอย่าไปมองโลกนี้ว่าเป็นโลกนิจจังสุขขังอัตตา ให้มองโลกนี้ว่าเป็นโลกของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็จะช่วยที่จะลดความทุกข์ในใจเราได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่สามารถลดได้อย่างเต็มที่เพราะเร า, าขาดใจเรายังขาดสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ใจของเรานี้ปล่อยวางได้อย่างเต็มที่ก็คือความเป็นอุเบกขาของใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรา ขาดกันยึงทำให้เราทั้งๆที่ทททรู้อยู่ว่ากฎของธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปครอบครองให้มันเป็นสมบัติของเราไปไม่ได้ตลอดแต่ใจของเรายังไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับเพราะว่าเราหยุดเรายังหยุดใจไม่ได้เต็มที่ น, นั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาฝึกกันมาทำกันเพื่อให้ใจของเรานี้ยอมรับกฎของตายรักให้ได้ยอมเพื่อที่ใจของเราจะได้ไม่ทุกข์กับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักวิธีที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ก็คือการมาฝึกสมาธิกันนั่นเองการนั่งสมาธิทำใจให้เน่งให้สงบ ถ้าใจนิ่งสงบได้แล้วใจจะวางเฉยได้ใจจะมีอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าการปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงใจจะไม่รักอะไรไม่ชังอะไรไม่กลัวกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่หลงไปคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา อันนี้แหละคือสิ่งที่เราขาดกันส่วนความรู้นี่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้กันจากหนังสือบ้างจากการฟังเทศฟังธรรมบ้างและจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นคนนั้นตายไปเห็นคนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนนั้นพบกับความสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัว สิ่งเล่านี้เราก็เห็นอยู่ว่ามันมีปรากฏขึ้นในโลกนี้แต่ถ้าเราไม่เอามาใข้ ค, ควรมาพิจาราย้อนกลับมาที่ตัวเราเราก็ยังจะไม่สามารถสอนใจทำใจของเราให้ยอมรับความจริงได้เวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการสิ้นสุดลงทีใดใจแล้วก็จะเศร้ากันจะทุกข์กัน นั้นสิ่งที่เราต้องพยายามทำมีอยู่สองอย่างในการที่เราจะสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์ก็คือหมันสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าโลกนี้เป็นโลกของตายรักนะโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกนี้เป็นโลกของความ ความชั่วข่าวของชั่วข่าวไม่มีอะไรเป็นของถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างสถานที่ที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่เมื่อก่อนมันก็ไม่มีแล้วก็มาสร้างกันขึ้นมาเมื่อก่อนต้นงงต้นไม้ก็ไม่มีอย่างนี้เมื่อก่อนแถวนี้ก็เป็นไร่มันชาวนาชาวชาวไร่กขปลูกมันกันไม่มีต้นไม้ใหญ่เหมือนอย่างที่มีอยู่นี้ แต่ต่อมาก็มีการมาปลูกมาสร้างกันก็เลยปรากฏสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะต้องเสื่อมลงแล้วมันก็จะต้องหมดไปถ้ายังมีกำลังก็อาจจะสร้างใหม่ของอไหนมันพังเราก็รื้อใหม่แล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ต้นไม้ถ้ามันตายไปก็ปลูกใหม่ขึ้นมามันก็ยังมีการทดแทนอยู่แต่มันต้องมีการเสื่อมมีการสิ้นสุด แล้วถ้าเกิดไม่มีใครมาดูแลรักษาต่อไปมันก็จะทรุดชุดโทรมไปแล้วอาจจะกลับไปเหมือนสภาพเดิมต่อไปก็ได้เนี่ยนี่คือความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ของสิ่งต่างๆที่เราได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราสมบัติชิ้นแรกก็คือร่างกายพอได้ร่างกายมาแล้วต่อไปเราก็ไป เรียนหนังสือโตขึ้นมีกำลังมีความรู้ความสามารถเราก็ไปหาสมบัติมาเพิ่มหาเงินทองมาเพิ่มแล้วก็มาห า, หาสิ่งต่างๆที่เราซื้อจากเงินทองมาเพิ่มแล้วก็อาจจะได้คู่ครองมาได้ภรรยาได้สามีแล้วต่อมาก็อาจจะได้บุตรได้ธิดาตามมา แต่ของเหล่านี้ของที่เราได้กันมานี้ทั้งหมดนี้ในที่สุดก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงร่างกายของเราก็คงจะไปก่อนร่างกายของเราภรรยาหรือสามีของเราก็ต้องไปกันก่อนจริงไว้ให้ร่างกายของบุตรของธิดาอยู่กันไปบุตรธิดาต่อไปเขาก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ขึ้นมาเขาก็จะมีลูกมีหลานของเขาแล้วต่อไปร่างกายของลูกของเราก็จะต้องสิ้นสุดลงเหมือนกับร่างกายของเรา คิดอย่างนี้ต้องคิดของผู้นี้มันเป็นความจริงเป็นวิชาการมันไม่ใช่เป็นของอภิมงคลแต่ยํงไงการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วมันจะทำให้เราปรับใจได้ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องได้เมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเวลาที่เกิดเหตุการณ์สูญเสียเหตุการณ์สิ้นสุดลงของสิ่งต่างๆนี้เราก็จะได้ทำใจเฉยๆได้ ถ้าใจเรามันดือ้อเราก็ต้องไปฝึกสมาธิไปทาจิตให้นิ่งให้สงบกันถ้าใจไม่ดือ้อใจยอมรับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝึกสมาธิถ้าเรารู้ว่าเราในวันที่ในในที่สุดเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าๆเนี่ยดวงวิญญาณของเราเวลามาได้ร่างกายนี้ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยไม่มีสมบัติไม่มีลูกสามีภรรยาเก่าติดตัวมาด้วย มาตัวราเปล่าๆดวงวิญญาณเนี่ยมาแล้วก็ได้ร่างกายจากนั้นร่างกายก็ไปหาสิ่งต่างๆมาแล้วพอถึงวันที่ร่างกายนี้สิ้นสุดลงดวงวิญญาณก็ไปตัวเปล่าๆไม่เอาอะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวของต่างๆที่หากันแทบเป็นแทบตายเบื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยอล้าทุกข์กังวลกับมันก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว น, นี่คือสิ่งที่เราต้องควรพยายามหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์สูญเสียมันก็จะรับได้อาจจะรับได้มากไม่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำใจให้นิ่งได้มากได้น้อยเท่าไหร่ถ้าทำใจให้นิ่งได้เต็มร้อยนี่เวลาสูญเสียอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีมาแล้วก็ต้องมีไป เรามาตัวเปล่าๆเราเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปแต่ตัวเปล่าๆสมบัติที่เรามีมีเหลืออยู่เราก็เอาไปไม่ได้อย่ดีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำใจกันสอนใจแต่การที่จะสอนใจทำใจให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับมันเลยนี่เราต้องไปฝึกสมาธิกันเป็นทำใจให้สงบกันให้ได้เพราะว่า หนึ่งถ้าเราไปทำใจให้สงบได้เราจะได้มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศรสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราได้ความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ เราก็จะได้ไม่ต้องไปอาศัยมันเราไม่ต้องไปหาความสุขแบบเก่าคือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะมีมันหรือไม่มีมันเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี่อันนี้แหละเป็นสิ่งเป็ น, เ ป, นเป็นจุดสำคัญของการที่เราจะเอา ดับความทุกข์ของเราได้นั้นเราต้องหาความสุขแบบใหม่ให้ได้ก่อนพอเราได้ความสุขแบบใหม่แล้วได้ความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วนี่เราก็จะไม่ต้องไปอาศัยความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางลาบยศสรรเสริญพอเราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญแล้ว ทีนี้มันจะอยู่หรือไม่อยู่มันจะไปหรือไม่ไปมันไม่เป็นสิ่งที่จะทําให้เราต้องมาทุกข์อีกแล้วเพราะเราไม่เดือดร้อนแล้วเขาอยู่เราก็ไม่ได้ใช้เขาเขาไปเราก็ไม่ได้เสียหายเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเรามีความสุขได้อีกรูปแบบความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบไม่ต้องใช้ยศไม่ต้องใช้ตําแหน่งทุกวันเนี้พวกเราหาอะไรกันก็หาเงินทองกัน เพราะเงินทองคือลาบนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถไปแปลงให้เป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้หรือหายศหาตำแหน่งกันก็เพื่อเป็นใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการหาราบหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี่อันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขถ้าเราอยากจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับกฎของตายรักไม่ทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่ เราต้องหาความสุขในรูปแบบใหม่พอเราได้ความสุขในรูปแบบใหม่แล้วความสุขในรูปแบบเก่าเราก็ทิ้งมันได้เปรียบเหมือนกับถ้าเราซื้อบ้านใหม่ได้บ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านเก่าบ้านเก่านี้มีปัญหาชำรุดทรุดโทรมอยู่เลยต้องคอยซ่อมอยู่เลยเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำรั่วบ้างอะไรบ้าง พ่อแตกบ้างอะไรต่างๆอยู่ไม่สุขไม่สบายพอเราไปซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ที่ดีที่สมบูรณ์ที่อยู่อย่างสุขอย่างสบายบ้านเก่าเราก็ทิ้งมันไปได้ใครยาวไปทำอะไรก็ไม่ว่าไม่เดือดร้อนเราย้ายไปอยู่บ้านใหม่กันอันนี้ก็เหมือนกันสมาธินี่ก็เป็นความสุขจากสมาธิความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ก็เป็นเหมือนกับบ้านใหม่ บ้านที่สมบูรณ์บ้านที่ทาให้เราอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมาวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆบางทีฝนตกหลังคารั่วบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรท่อแตกบ้างอะไรทำนองนี้ไม่ไม่ปลอดภัยมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเราก็คิดย้ายบ้านกันเราก็ไปหาซื้อบ้านใหม่กันถ้าเรามี กำลังไปซื้อได้แล้วก็ไปซื้อบ้านใหม่เพราอพอเราได้บ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านเก่าแล้วบ้านเก่าเราก็ไม่ไปยึดไปติดแล้วใครจะมาทำลายจะมาทุบมาทาลายจะมาอยู่มาอะไรเราก็ไม่สนใจแล้วขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ทิ้งมันไปแต่เรามีบ้านใหม่แล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะ ทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับกฎของตายลักได้เราก็ต้องไม่ไปอาศัยสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้กฎของตายลักนั่นเองอย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่าไปอาศัยลาบยศสรรเสริญอย่าไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลถภชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเรายังอาศัยอยู่เราก็ยังจะต้องพึ่งเขาอยู่ เมื่อพึ่งเขาอยู่เราก็ต้องอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่ขาดเขาไม่ได้เพราะเวลาขาดเขาแล้วทาให้ใจเราทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ต้องไปพึ่งเขาได้ไม่มีเขาเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันทำสองอย่าง เบื้องต้นก็ต้องทำความเข้าใจว่าความสุขต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นสิ่งที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงและเวลามันสิ้นสุดลงหรือมันเสื่อมไปหรือหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้ากันถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เจอความเศร้าจากความเสื่อมของสิ่งต่างๆนี่ เราก็ต้องไปหาความสุขในรูปแบบใหม่ค่ะนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสอนใจเราให้รู้ว่าวิธีการหาความสุขของเราในปัจจุบันนี้มันเป็นวิธีหาความทุกข์เสมากกว่าเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้นี่มันไม่เที่ยงมันมีเดี๋ยวมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีวันจากเราไปพอมันเสื่อมมันจากเราไปเราก็จะทุกข์กัน ถ้าเราไม่อยากจะเจ อ, เจอความทุกข์แบบนี้เราก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อย่าไปหาความสุขจากร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสรรเสริญให้เราเอาเวลาไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบควบคุมใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วเราจะได้พบความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากร่างกายเพราะมันเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายมีไม่มีเราก็ยังมีความสุขได้เรายังถ้าเราฝึกสมาธิทำใจให้สงบเป็นต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเครื่องมือที่จะทำให้เราใจของเราเกิดความสงบขึ้นมานี้ก็มีอยู่สองชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเราเรียกว่าสติชิ้นที่สองเรียกว่าปัญญานี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความสุขทางใจของเราให้เกิดขึ้นมาและสติและปัญญามันก็มีอยู่ในใจของเราแล้วเพียงแต่ยังมีน้อยเท่านั้นเอง แต่เราสามารถที่จะทำให้มันมีมากขึ้นมาได้เราสามารถพัฒนาสติพัฒนาปัญญาให้มันมีมากขึ้นไปได้ตามลำดับ<ม>จนเป็นสติเต็มร้อยปัญญาเต็มร้อยมเมื่อใดที่เรามีสติเต็มร้อยมีปัญญาเต็มร้อยเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสงบของใจก็จะเต็มร้อยแล้วก็จะเป็นความสุขที่ถาวร เพราะสติปัญญานี้ไม่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาสติปัญญานี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือทำดีได้ดีทำไม่ดีหรือไม่ทำความดีก็ไม่ได้ดีนั่นเองถ้าจเจริญสติจเจริญปัญญาก็จะได้ความสุขถ้าไม่จเจริญสติไม่จเจริญปัญญาก็จะไม่ได้ความสุขทั้งใจ จะได้แต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอันนี้เป็นเรื่องอีกกฎหนึ่งกฎแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องภายนอกของที่ไม่เกี่ยวกับจิตใจหรือกฎที่เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกฏที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นร่างกายก็ดีลาบยศสารเสริญสุขก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสผดพะก็ดีตาหูจมูกนินการก็ดี ของเหล่านี้มันอยู่ภายใต้กฎของใจละแต่เรื่องของความสุขของใจนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทําดีก็จะมีความสุขมีความเจริญทําไม่ดีก็จะมีความทุกข์มีความเสือ่อมอันนี้เป็นเรื่องของอีกกฎหนึ่งแต่มันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องเพราะว่าเบื้องต้นเราต้องศึกษาเรื่องกฎของตายรักก่อนให้เราเข้าใจว่า วิธีการหาความสุขของเราตอนนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกเป็นวิธีที่จะพาให้เราต้องเจอความทุกข์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกจะเป็นพระมหาจากักรพรรดิจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวก็จะต้องเจอกฎของตายรักอย่จะต้องเจอความเสือ่อมจะต้องเจอความตายกันทุกคน พอเวลาตายความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆในนี้ในโลกนี้ก็จะหมดไปจะได้จะเจอแต่ความทุกข์พอเราเวลาจะใกล้าตายนี้จะทุกข์มากเพราะรู้ว่าจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทําความเข้าใจคือกฎของตายรักเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเรากําลังไปยุ่งกับกฎของตายรักถ้าเราไม่อยากจะ ไปยุ่งกับกฎของตายรักเราก็ต้องเปลี่ยนมิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะจากร่างกายนี้เราก็เปลี่ยนมาหาความสุขจากการเจริญสติเจริญปัญญาการเจริญสติการเจริญปัญญานี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการทำกรรมดีการที่เราไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญานี้เรียกว่าเป็น เป็นการไม่เจริญไม่ทำความดีไม่เจริญไม่ทำบุญไม่ทำกุศลถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้ใจเสื่อมแต่มันก็จะทำให้ใจไม่เจริญขึ้นใจก็จะอยู่อยู่ที่เดิมสิ่งที่จะทำให้ใจเสื่อมลงไปกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็คือการทำบาปต่างๆเช่นตอนนี้ใจของพวกเรา t h i เป็นใจของมนุษย์กัน เราถึงนานได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะใจของเราเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไปทำบาปมากๆเข้าเนี่ยต่อไปใจของเราจะกลายเป็นเดลฉานไปแล้วถ้าไปเกิดคราวหน้าใจเราจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จะไปได้ร่างกายของเดลฉานหรือถ้าถ้าไม่ได้ร่างกายของเดลฉานก็จะไปเป็นกายทิพย์ที่มีที่เรียกว่าเปรตบ้างเรียกว่าสุลกายบ้างเรียกว่านรกบ้าง อันนี้เกิดจากการกระทาบาสนี่นี่คือกฎแห่งกรรมทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทาบาปก็จะไปอาบายกันนั่นเองอาบายก็มีสี่ระดับเดรัจฉานเปรตอสุลกายและนรกนี่คือที่ไปของดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนถ้าเราทำบาสมากกว่าที่เราทำบุญบาปมันจะเป็นตัว มีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะฉุดลากจิตใจให้ลงตังแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะดึงให้ใจของเราขึ้นสูงระดับบุญก็มีหลายระดับด้วยกันถ้าทำบุญทําทานเสียสละแบ่งปันก็จะดึงใจให้เราขึ้นไปสู่ระดับเทพเป็นเทพกันเทพก็มีอยู่หกชั้นด้วยกันหกชั้น ก็มกอยู่ที่ทําบุญมากทําบุญน้อยทําตั้งแต่ชั้นแรกจ่าตุมขึ้นไปจนถึงชั้นปรนิมนี่ก็เป็นชั้นที่สูงสุดหกชั้นทํทำร้อยละหนึ่งใน6นี้ก็จะได้ชั้นที่หนึ่งทํสองใน6ก็จะได้ชั้นที่สองทํา6 6, 6... 6เต็มหเลย6ใน6ก็ได้ชั้นที่6เลย คือการบริจากแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราให้กับการทําบุญทําทานเช่นเรามีหกรเราทำร้อยหนึ่งเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถ้าเราทํา300อยเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่3ถ้าเราทำหกร้เลยมีหกรก็ทําหมดเลยไม่ไม่เอาไปใช้ซื้อกระเป๋าซื้อนรองเท้าไปเที่ยวหาความสุขอะไรเอาไปทําบุญให้หมดอย่างนี้เราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุด สวรรค์แต่ละชั้นนี้ก็มีความสุขไม่เท่ากันสวรรค์ชั้นหนึ่งความสุขก็น้อยกว่าชั้นสองชั้นสองก็น้อยกว่าชั้นสามไปตามลําดับเนี่ยคนบางคนจึงทํามากว่ า, าทํามากๆแล้วมีความสุขมากทําน้อยแล้วมันมีความสุขน้อยแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความพอใจของแต่ละคนอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่จะมาบังคับกันเพียงแต่พูดให้ฟังเท่านั้นว่าทําไมสวรรค์ถึงต้องมีแบ่งไว้ต้องหกชั้นด้วยกันก็เพราะว่ามีการทําบุญมากน้อยต่างกันนั่นเองอยิง่งจะไปให้คนที่ทําบุญน้อยนี้ไปได้ความสุขเท่ากับคนทําบุญมากมันไม่ได้มันเป็นมันไม่มันไม่ได้เป็นอยู่ภายใต้หลักของเหตุผลหลักของเหตุผลก็คือ ทำบุญมากก็จะได้ความสุขมากทำบุญน้อยก็จะได้ความสุขน้อยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราซื้อของเนี่ยซื้อรถยนต์เนี่ยซื้อใช้เงินแสนซื้อก็ได้รถยนต์ในระดับของเงินของเงินแสนถ้าใช้เงินล้านซื้อเราก็จะได้รถยนต์ในระดับของเงินล้านทำไมถึงมีต่างราคากั น, นก็เพราะวาความสุขความสบายที่ได้จากการซื้อรถแต่ละระดับนี้มันไม่เท่ากัน ความสามารถของรถยนต์ที่จะให้ความสุขความสะดวกความสบายกับผู้โดยสารนี้มันไม่เท่ากันคนซื้อเลยต้องจ่ายมากจ่ายน้อยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเป็นหลักของการทำบุญทำทานถ้าเราอยากจะ ย, ยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสูงกว่าระดับของที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อันนี้เราเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีความสุขแต่ความสุขนี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาพอเราทาบุญแล้ว ใจเราจะเริ่ ม, เ, มเริ่มกลายเป็นเทวดาไปตั้งแต่ยังไม่ตายนะใจนี้เริ่มเปลี่ยนไปทันทีเลยเหมือนกับเราทำซื้อของมานี่พอจ่ายเงินปั๊บของมาเป็นของเราทันทีอันนี้ก็เหมือนกันดวงใจของเรานี้มันเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่เราทาทันทีมันไม่ต้องมารอเวลาให้ตายแล้วถึงจะเป็นเป็นเทพตั้งแต่ขณะที่เป็นมนุษย์ก็มี เป็นเดรัจฉานตั้งแต่ขณะที่เป็นมนุษย์ก็มีก็อยู่กับว่าทําบุญหรือทำบาสนั่นเองทำบาสมากกว่าทำบุญก็จะเป็นเดรัจฉานทําบุญมากกว่าทำบาปก็จะเป็นเทพอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณดวงจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราต้องการจิตใจของพวกเราเนี้ให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงเราก็ต้องพยายามมาทําบุญกัน ทำบุญเพื่อยกระดับความสุขของมนุษย์ให้เป็นความสุขของเทพแล้วทีนี้ถ้าถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นเพราะว่าระดับของเทพนี้มันความสุขของระดับของเทพนี้มันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษ์อยู่คือรูปเสียงกลิ่นรสเองพวกเทพนี้ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่พวกเรานี่เราไปทําบุญแล้วเรามีความสุขทางใจแต่เราก็ยังอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่กันเราก็ยังไป ไปอาศัยความสุขจากลาบยศสรรเสริญมาให้ความสุขกับเราแต่พอเราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศสังธรรมว่าความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้จากรูปเสียงกิริยนี้มันอยู่ภายใต้กฎของตายรักมันจะต้องทําให้ใจของเราทุกข์ขึ้นมาวันใดวันหนึ่งเวลาที่เราไม่ได้เศษมันเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็มาคิดเปลี่ยนวิธีหาความสุขดีกว่า แทนที่จะหาความสุขจากาลาบยศสรรเสริญ ส, สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็มาหาความสุขจากการเจริญสติเจริญปัญญาอันนี้แหละจะพาให้เราขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าระดับเทพคือการเจริญสมาธิด้วยสติถ้าเรามีสติคือคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้ทําใจให้นิ่งให้ได้ถ้าทําใจให้นิ่งได้นี่ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ความเป็นความสุขของสมาธิหรือความสุขของความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้สติเป็นตัวสร้างมันขึ้นมาความสุขของเทพนี้เป็นการใช้เงินทองเสียสละแบ่งปันไปแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันก็แบ่งมาทําบุญให้ให้หาความสุขทางด้านจิตใจให้มีความสุขในระดับสูงขึ้นเป็นการสร้างบุญทําบุญ แต่ระดับที่สูงกว่าระดับเทพนี้จะําเป็นจะต้องใช้สติใช้การทำใจให้นิ่งให้สงบคนที่ไปถือศีลอยู่วาดกันไปบวชกันนี้ก็เพื่อที่จะไปหาความสุขระดับนี้กันเพราะเห็นว่าความสุขของเทพก็ยังเป็นความสุขที่ยากกว่าความสุขที่ของของการเจริญสติของการนั่งสมาธิแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ต้อง ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพระชนิดต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นอันต้นก็ยกระดับจากจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพด้วยการทำบุญทำทานพอได้ไ ด, ได้ได้ทำบุญทาทานพอแล้วหมดแล้วทีนี้ก็จะได้มีเวลาไปสร้างสติไปเจริญสติไปนั่งสมาธิ ไปเปลิกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบตามวัดวารามต่างๆตามป่าตามเขาเพราะว่าการที่จะทําใจให้สงบนี้จะต้องอยู่ห่างไกลจากของที่มาคอยกระตุ้มก็คือราบยศสารเสริญสุขนั่นเองถ้าอยู่ใกล้ราบยศสารเสริญสุขแล้วมันมันจะทนไม่ได้เดี๋ยวใครมาพูดถึงเรื่องเงินเงินขึ้นเงินลงในธนาคารนี้ก็จะเกิดความกังวลขึ้นมานะ นั่งสมาธิทำใจไม่ได้นะเพะนั้นบางทีต้องอย่าไปมีปัญหาอย่าไปมีราบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสถึงจะไปทําใจให้สงบได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเราเห็นโทษของการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเพราะมันอยู่ภายใต้กฎของตายรักเราก็เลยต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุข มีความสุขที่ไม่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ก็คือความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธินี่แต่เราต้องไปอยู่ห่างเราต้องไปปลีกวิเวกอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าเราไปทําที่บ้านไปทําที่ทํางานมันทําไม่ได้หรอกนั่งสมาธิได้ห้านาะทีเดี๋ยวอ อ, อเดอร์ก็เข้ามาแนละ้วเดี๋ยวบินก็เข้ามาแนละ้วมันต้องมารับอ อ, อเดอร์มาต้องจ่ายบินมันก็ ทําใจให้สงบมันก็จะทําไม่ได้นะเพราะมันจะต้องมาวิตกมากังวลกับเรื่องหนี้สินบ้างเรื่องรายได้บ้างดังนั้นคนที่ต้องการที่จะแสามารหาความสุขจากความสงบนี้มักจะต้องออกจากงานกันสละทรัพย์สมบัติสละลาบยศสละเสริญสุขกันแล้วก็ไปบวชเนีเช่นเวลามาบวชพระนี่เขาไม่ให้ อ, อะไรติดตัวมาเลยนะ ให้แม่แค่ให้มีเพียงสมบัติแค่แปดชิ้นนั่นเองพระก็อัะบริขารเวลามาบวชนี้ก็แม้แต่ผมก็ไม่ให้เอามาผมก็ให้โกนทิ้งไปแล้วก็เอาแต่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็คืออัฐบริขารคือบาทไว้สำหรับหาอาหารจีวรผ้าไตไว้สำหรับนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็มีมเข็มมีเข็มขัดรัดเอวเพื่อ ก็จะได้ผ้าจะได้ไม่หลุดแล้วก็มีเข็มกัได้ไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลามันเวลามันขาดแล้วก็ให้มีที่กรองน้ำเพราะสมัยก่อนต้องไปตักน้ำในลานําธารในลําห้วยซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์เลยต้องใช้ที่กรองตักที่กรองนี้จะตักเอาแต่น้ำขึ้นมาจะไม่เอาตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วย แล้วก็ให้มีมีดโกนไว้สำหรับปรงผมทุกทุกหนึ่งเดือนจะต้องปร ง, ปรงผมหนึ่งครั้งด้วยกันนี่คือสมบัติของนักบวชเหมือนของที่จำเป็นจะต้องในการดำรงชีพของนักบวชมีแค่นี้มีแค่แปดชิ้นเท่านั้นเองเพราะถ้ามีอย่างอื่นแล้วมันจะทำให้มีกังวลมีงานมีทองก็จะต้องกังวลเนือ้อถูกกิเลสมา มาล่อมาดึงไปว่ามีเงินแล้วไปเที่ยวกันดีไหมไปซื้อนูน่นซื้อนี่ที่ไม่จําเป็นยังต้องซื้อดีไหมเคย ต, ติดนู่นติดนี่ก็ยังไปซื้อมากินมาดื่มหรือเปล่าเอี่ยพอไม่มีเงินมันก็ซื้อไม่ได้อันนี้ถ้ายังไปติดรูปเสียงกลิ่นรถอยู่ก็อยา่ามันก็มาทําใจให้สงบได้ยากเพราะเจ้าเลยต้องตัดการมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่างๆไปให้หมดไม่ให้มีอะไรเลยให้เป็นเหมือนคนสิ้นเนื้อประดาตัว แต่มีสิ่งที่จําเป็นต่อการดํำรงชีพอาหารก็ให้บินธบาติทุกวันก็ให้ออกบินธบาตรหาอาหารมารับประทานผ้าสมัยก่อนก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเรียกว่าผ้าบางสกุลที่เราเรียกว่าผ้าป่าทุกวันนี้ความจริงมันเึ็นผ้าป่าช้าผ้าที่เก็บมาจากป่าช้าสมัยก่อนไม่มีการถวายผ้าให้กับพระยุคที่พระเจ้าทรงบําเพ็ญนี้ไม่มีการถวายผ้าเพราะว่ามีเศษผ้าที่ ใช้หุ้มผอาวศพทิ้งไว้ในป่าช้ามากมายนักบวชก็ไม่ต้องการที่จะไปบรบกวนญาติโ ย, ยมถ้าไม่จําเป็นจริงๆบรบกวนเพียงอย่างเดียวก็คืออาหารไปบินฑบาย ท, ทุกวันแต่เรื่องผ้าผ้านี้ไม่ต้องบรบกวนเพราะไปหาได้ในป่าชา้ายาก็ใช้ยาดองน้ำน้ำปัสสาวะนี่ก็ได้น้ําปัสสาวะนี่มาดองกับผลไม้ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาดื่มกินได้เป็นยา ป้องกันไข้ป้องกันอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ตายตายก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมาทุกคนในที่สุดก็ต้องตายต่อให้สมัยนี้มีโรงพยาบาลทันสมัยขนาดไหนมีหมอมีเก่งขนาดไหนมีพยาบาลดีขนาดไหนมียาวิเศษขนาดไหนก็ตายอยู่ดีถ้าถึงเวลาร่างกายมันจะตายมันไม่มีใครรักษาได้หรอกยันสมัยก่อนเขาไม่ค่อยกังวลกับเรื่องความตายเท่าไหร่ กังวลกับเรื่องความไม่สงบของใจมากกว่าผู้ที่ไปผู้ที่ไปบวชกันนี่สิ่งที่เขากังวลก็คือใจไม่สงบเขาเลยต้องพยายามหาวิธีป้องกันสิ่งที่จะมาทำให้ใจไม่สงบก็คือการที่ใจไปวุ่นวายกับเรื่องของลาบยศสรรเสริญวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่ให้ไปวุ่นวายกับมันมากเกินไปเลียงดูมันไปตามอัตภาพ อยู่แบบเหมือนกับพวกสัตว์ที่อยู่ในป่าเลยสัตว์เขาเขาไม่มีโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มียารักษาเขาก็อยู่ของเขาได้ถึงเวลาเขาก็ตายของเขาไปตามธรรมชาติไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะไม่เหมือนเรามนุษย์นี่ยิ่งฉลาดยิ่ ง, งโง่ยิ่งฉลาดยิ่งวุ่นวายใหญ่เพราะยิ่งยิ่งกลัวตายมากขึ้นยิ่งกังวลมากขึ้นแทนที่จะยอมรับความจริงของกฎของตายรัวกว่าเกิดมาแล้วไม่ช้า ก, ก็เร็วมันก็ต้องตายก็ไม่ยอมคิดว่าจะสู้กับความตายให้ได้ ยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยถ้าไม่สู้เราจะสบายกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดูมันไปตามตามกำลังดูตามไปเท่าที่เราจะทำได้ก็พอไม่ช้าก็เร็วเราต้องแพ้เขาอยู่ดีความตายนี้มันชนะเราเสมอเราเอาชนะความตายไม่ได้หรอกแต่เราก็ทาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทาพอให้อยู่ได้ไปทำเพื่อที่เราจะได้เอาเวลานี้มาสร้างความสุขจากความสงบกันให้ได้ดีกว่า วันนี้แหละพอเราได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วความเป็นความตายของร่างกายนี้จะไม่มีปัญหาต่อไปความสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียคนนั้นคนนี้ไปจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะใจไม่ได้ไปยึดไปติดกับเขาแล้วไม่ได้ไปเอาศัยเขามาให้ความสุขใจมีความสุขจากการทำใจให้สงบเบื้องต้นก็ให้ใช้สติก่อนเพราะสติเป็นของง่ายกว่าปัญญา ต้องมีสติก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้แต่สตินี้ทำใจให้สงบได้เป็นเป็นพักๆเป็นชั่วขาวเวลาเวลานั่งสมาธิมีสติหยุดความคิดได้เพราะใจไม่คิดใจก็นิ่งเป็นสมาธิเป็นชาญขึ้นมาก็จะนิ่งอยู่ได้สักระยะหนึ่งไม่นานก็จะออกจากสมาธิมาพอจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะว่าสิ่งที่มาทาให้ใจ ทุกนี้ยังไม่ได้ถูกกำจัดด้วยด้วยกำลังของสติก็คือความอยากต่างๆยังความอยากที่จะหาราบหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันยังไม่ได้ตายไปมันก็ยังพยายามที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจอยู่ตอนนั้นนถึงต้องใช้ปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วพอจากสมาธิมาแล้วพอใจเกิดความอยากขึ้นมา อยากไปเที่ยวอยากไปกินไปดืม่มอยากจะไปหาราบยศสรรเสริญนอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาระงับมันแม้มาบวชแล้วก็ยังอยากหาราบยศกันก็มีมยญาติโยมก็คงยัมีคงได้ยินข่าวพระบางลูกก็ยังอยากจะมีเงินอยู่เพราะต้องเอาไปใช้นูน่นใช้นี่บางลูกก็ยังอยากจะเป็นมีตําแหน่งเป็นเจ้านูน่นเป็นเจ้านี่อยู่อันนี้ก็ยังเป็นความเป็นความอยากของกิเลสยังไปยังไปติดราบยศสรรเสริญอยู่ เวลาเกิดความอยากที่จะไปหาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนปัญญาที่ที่สแสดงไว้ตอนต้นนี่ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไมไ่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปพอจากไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมันอย่าไปหามันกลับไปนั่งสมาธิใหม่ทุกครั้งที่อยากจะมีความสุขจากลาบยศสระเสร พอปัญญาบอกว่าไม่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คืออย่าไปอยากหยุดความอยากให้ได้พอหยุดความอยากได้แล้วใจก็สงบเหมือนเดิมได้ก็จะไม่ทุกข์ต่อไปใจก็จะอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้เพราะตัวที่ทําให้ใจวุ่นวายก็คือความอยากนี่อยากได้ลาบยศเสรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไอตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ใ่ พอมีปัญญาเข้าใจกฎของตายลักก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดไม่มีวนันสิ้นสุดอันนี้แหละใจที่สงบไปตลอดไม่มีความไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากก็เพราะเราก็เรียกว่าพระนิพพานนี่พระนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่ใช่เป็นเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตแต่เป็นใจของเรานี่แหละที่เราเอาธรรมะสองข้อนี้คือกฎของตายลักกับกฎหั ง, งกรรมนี้มา เปลี่ยนใจของเราปรับปรุงใจของเราให้ใจของเราที่วุ่นวายด้วยความโลภ ค, ความอยากต่างๆนี้ให้มันสงบตัวลง<ม>ปราศจากความโลภจราจากความอยากพอหมดสิ้นความโลภ ค, ความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดแล้วพอสงบไปตลอดทีนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรอีกแนละ้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแนละ้วเพราะเข็ดแล้วโลคของโลคของไตรลักษณ์นี้จะไม่เอานะโรคของราบยศสารเสรนโลคของรูปเสียงกลิ่นรส เห็นแล้วว่าเกิดมาแล้วจะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆตายก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแต่ใจไม่ได้สูญหายใจก็อยู่ต่อไปอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบไม่มีภาระต้องมาแบกบพวกใจที่ยังไม่ฉลายก็ยังไปคิดว่าการมีมาเกิดจะดีเกิดแล้วจะได้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ลืมไปว่ามันอยู่ภายใต้กฎของตายละ ไ, ไม่ช้าก็เร็วสุขที่ได้มามันจะต้องหมดไปเพราะมันหมดก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่แคือเรื่องสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันเพื่อที่เอามาสอนใจและมาปฏิบัติให้มันถูกต้องถ้าเราเข้าใจกฎสองกฎนี้คือกฎของตายรักษอันนี้จังทุกขังอนัตตาและกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้พบกับความสุขเราก็จะตัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้หมดสิ้นไปจาก ใจของเราได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัง เอวเมวะอิโตทินางเปตาังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพ e wa wa n เรนตุสังกปา จันทุปนาราสุยาามณีโชติราสุยาาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีีตาโยโกภวะ อภิวาทานสีฤิธานิจังวุธาปจายนโนจตารูธรรมวทาทันติอายุวันโนสุขังภาลาาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็เป็นช่วงที่จะให้ถามได้ กะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือท่านที่มือมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจหรือทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่กราบนําเการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 462ท่าน YouTube พระอาจารย์288ท่าน ทาง Dr. V Channel 108ท่านวิดยโออนไลน์8ท่านครับเฮาส10ท่านหน้ากุีิ128ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,004 ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามเดี๋ยวมีคำถามเลยเดี๋ยวรอแป๊บนเดี๋ยวหยิบไม้ไปก่อนส่งไม้ไปจะได้จะได้ยินได้ฟังทุกคนขออาจารย์ครับ เวลาจิตมันว่างๆครับมันมีเหมือนเห็นความคิดว่ามันกําลังจะปรุงมันกําลังจะปรุงอันนี้เราควรจะข่มความคิดหรือว่าควรถ้ามีสติถ้ารู้ปั๊บมันก็ควรจะหยุดมันควรจะหยุดถ้ามันไม่หยุดก็ใช้พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดให้มาพุทโธแล้วดูลมต่อไปมันมันจะเป็นการข่มเหมือนไหมพระอาจารย์ก็เป็นการหยุดมันไงครับเพราะเราหยุดมันได้ครับ เราควบคุมมันได้ครับถ้าเราต้องการให้ใจ ม, มีความสงบมีความสุขเราก็ต้องหยุดมันแต่เราจะไม่หยุดมันตลอดหรอกครับต่อไปเราพอเราหยุดมันได้แล้วขั้นต่อไปก็สอนให้มันคิดไปในทางที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ ค, คิดไปในทางใจรักต่อไปมันเวลาคิดก็ให้มันคิดไปในทางใจรักครับแต่ตอนนี้มันไม่คิดมันคิดไปในทางกลับกันมันคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขอื เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเรากะอยู่กับเราอันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่คิดว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่เบื้องต้นหยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าหยุดมันไม่ได้มันก็จะบังคับให้มันคิดไปในทางที่เราบังคับไม่ได้ครับมัตต์มีคำถามจากคุณวัสนาค่ะผีและดวงวิญญาณในป่าช้า และในที่ต่างๆมีไหมครับและจะหลอกหลอนทํำร้ายเราได้ไหมครับกับขอความเมตตาครับไม่มีหรอกผีหรือดวงวิญ ญ, ญาณนี้มันอยู่ในโลกทิพย์แม้แต่จิตใจของเราตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี้จิตใจเรากับร่างกายนี้เชื่อมต่อด้วยกระแสของการรับรู้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหู เหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องติดต่อกันได้ก็เพราะมีสัญญาณวิทยุเครื่องหนึ่งอยู่ที่นี่เครื่องหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนี่ใจ<ม>ก็สามารถติดต่อกันได้สั่งการได้เดี๋ยวนี้สามารถเราสั่งการเครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ไกลกับเราให้ทําอะไรตามที่เราต้องการก็ได้นี<ม>อันนี้ก็แบบเดียวกันใจอยู่อีกโลกหนึ่ง<ม>ใจของพวกเราอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุไอที่เห็นผีเห็นอะไรเป็นอุปทาน เป็นมนโนเป็นความปรุงแต่งของจิตมันชอบไปคิดตอนที่มันอยู่คนเดียวเวลาเปลี่ยวเปี่ยวมันรู้สึกว้าเหวฟังเวมันก็เลยคิดโอ้ยผีมาแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ว่าผีมาเห็นใบไม้ขยับก็ผีมาทั้งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้มันเป็นเรื่องของของอุปทานความปรุงแต่งของจิตใจปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่สาหรับท่านที่มีอภิน ญ, ญามี มีความสามารถพิเศษนีท่านสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับจิตใจของผู้อื่นได้เช่นพระพุทธเจา้าหรือภาษาวกที่มีอภิญญาเนี่ยมีตาที่ผูทิพย์ก็จิตติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้พวกที่ไม่มีร่างกายเนี่ยที่เราเรียกว่าผีเนี่ยก็คือสามารถที่จะคุยกันได้สนทนารมกันได้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พวกเทวดาฟังทุกคืน ท, ท่านใช้พลังจิตของท่านติดต่อกับกายทิพย์อีกทีนังนั้นถ้าเราไม่มีพลังจิตแล้วสิ่งที่เราเห็นนี่ที่เราคิดอย่างนี้มันเป็นเรื่อ ง, องความคิดทั้งนั้นะไม่ใช่เป็นความจริงเขาเรองมีคาพูดบอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงนะผีที่หลอกเราไม่ไมจริง เ, เพราะเราหลอกตัวเราเองเราคิดขึ้นมาเองผีจริงเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกเสียเวลาเขาไม่ได้อะไรจากเราเขาจะมายุ่งอะไรกับเรา เขาก็ไปอยู่ของเขาเขาก็ไปรับผลบุญผลอะไรของเขาไปเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณการพีรพัฒนกราบนมัสการครับพระอาจารย์เราได้ให้สิ่งของได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปแต่ผู้อื่นไม่พอใจแล้วตอบว่าเรากลับมาเราควรทําจิตใจอย่างไรดีครับคือจิตใจของผูอื่นเราใปห้ามเขาไม่ได้นะ เขาจะดีใจเขาจะเสียใจเขาจะพอใจไม่พอใจนี่เราไปบังคับเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ให้ก็ให้ไปแล้วก็จบเขาจะดีใจไม่ดีใจก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่ดีใจเข้าหน้าก็ไม่ต้องให้เขาแล้วกันก็เท่านั้นเองคำถามจากคุณนิสาเรียนถามค่ะเราควรสวดมนต์ที่เจดีทําสมาธิตามโบราณสถานได้ไหมคะ เาจริงควรจะสวดที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนให้สวดที่นั่นแม้แต่เวลาเข้าห้องส่วมก็สวดได้ไการปฏิบัติดีไม่ได้เลือกสถานที่ปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนอย่าอย่าไปรอว่าต้องไปที่นู่นถึงจะได้ปฏิบัติพอย่ไปถึงที่นู่นมันเสียเวลาไปกี่ชั่วโมงทั้งที่เราอยู่ที่ตรงนี้เราก็ปฏิบัติได้เราสวดได้เราสว ด, ด, ดได้เมื่อไหรตอนไหนสวดไปเลยอย่าไปเลือกสถานที่ขอให้สวดมากๆ าการสวดนี่เป็นการคอยเจริญสติเป็นการคอยหยุดความคิดนั่นเองต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดของเราได้คำ ถ, ถามจากคุณอีคิวซังการทําบุญผลที่ได้รับอยู่ที่เจตนาการหวังผลที่จะได้บุญคือกิเลสที่มันครอบงําอยู่ใช่ไหมครับคือผลของบุญเกิดจากการกระทําไม่ได้เกิดจากความความอยากได้อยากเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ได้ ถ้าไม่ได้อยากได้แต่ทำมันก็ได้อยู่ดีแต่ไม่อยากไปสวรรค์นะ่ะแต่ทำบุญมันก็ไปมันก็จะพาให้ใจไปสวรรค์มันเหมือนกับตีตัว๋วตีตั๋วไปญี่ปุ่นแต่ไม่อยากไปญี่ปุ่นนะขึ้นเครื่องมันก็พาเราไปญี่ปุ่นนะมันไม่พาเราไปที่อื่นเพะั้นอยู่ที่การกระทำของเราทำบุญแบบไหนก็จะได้บุญแบบนั้นทำบุญแบบชั้นเทพก็ได้ชั้นเทพทำบุญแบบชั้นพรหมก็ได้ชั้นพรหมทาบุญแบบพาริยะก็ได้ชั้นพาลียะ น, เ, นเป็นสิ่งที่เราจะอยากไม่อยากมันไม่มีอิทธิพลตอบผลที่เราจะได้รับตัวที่ทาไม่มีผลขึ้นมาก็คือการกับทำของเรานั่นเองคันถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกรณีการดําเนินธุรกิจสง่งออกขนมบิสกิต จะต้องมีการใส่สารกันบูดเพื่อไม่ให้ขนมเสียและนำกาไรที่ได้มาช่วยคนยากไร้และหากมอบขนมให้ผู้ยากไร้ในต่างประเทศเพื่อประทังหิวการใส่สารกันบูดจะเป็นบาปไหมคะมันเป็นกรรมวิธีของการรักษาของไม่ให้เสียงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปลัวเป็นบุญเป็นกุศลเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าสารนั้นมันมีมีโทษมีพิษมีภัยก็ อาจจะต้องหาวิธีที่ใหม่ที่ยัไม่ทำให้เกิดโทษต่อผู้บริโภคอะไรแต่ถ้ามันเป็นอยู่ในปริมาณที่เขารับได้เขาไม่ถือว่าเป็นอันตรายก็ไม่เป็นปัญหาเลยบาปใดถ้าเราทำตามกฎหมายทำตามมาตรฐานของอโยเขาก็กจบไ ม, ไม่เป็นบาปเป็นอะไรอย่างไรมีคำถามจากคุณพัชมนสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่ง ตอนเดินจงกรมหนูเห็นไฟความรู้สึกเหมือนไฟนรกเห็นคนทรมานหนูต้องตัดไม่สนใจแล้วเดินจงกรมต่อไปใช่ไหมคะใช่มันเป็นความคิดของเราท่านั้นแหละอย่าไปสนใจเวลาเดินจงกรมเวลานั่งสมาธินี้คอยหยุดความคิดถ้ามันคิดก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่ถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพูดโธก็พูดโทไปเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดไป คำถามข้อที่สองเดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็ทุกไปหมดอยู่ลำบากอึดอัดคัดคองใจไปหมดทำอย่างไรดีคะพราะเราไม่มีสติทำใจให้นิ่งให้สงบพยายามฝึกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเวลามีความรู้สึกหงุดหงิดน้ำคานใจอึดอัดจใจก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหายไป ความอึดอัดมันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของเราไปรู้สึกนึกคิดถึงเรื่องต่างๆมันก็ทำให้เราอึดอัดขึ้นมาพอเราเราใช้สติหยุดมันได้ความรู้สึกอึอดอัดต่างๆมันก็จะหายไปพ<ม>ยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี<ม>่ยพยายามพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ<ม>แล้วใจจะเบาใจจะว่างจะเย็นจะสบายคาถามจากคุณตินนี่ กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคําถามค่ะคนที่มีเงินน้อยเลยทําบุญได้จํานวนไม่มากเท่ากับคนรวยที่มีเงินมากกว่าก็จะได้บุญน้อยกว่าหรือขึ้นสวรรค์ชั้นต่ากว่าหรือไม่คะก็สามารถขึ้นสวรรค์ชั้นเดียวกันได้โดยที่เงินต่างกันเช่นคนมีร้านหนึ่งทำทำแสนหนึ่งก็ได้ร้อยละสิบแต่คนที่มีแสนเดียวก็ทำหมื่นเดียวก็ได้เท่ากันได้สวรรค์ชั้นเดียวกัน เพราะว่าเสียสละเท่ากันร้อยละสิบเท่ากันเหมืนคนเสียภาษีใช่ไหมเสียภาษีก็เสียเงินเท่ากันแต่ปริมาณเงินที่จ่ายมันไม่เท่ากันอันนี้ก็แบบเดียวกันสวรรค์อยู่ที่สัสดส่วนของเงินของเราที่เราเสียไปไม่ได้อยู่ที่ปริมาณจํานวนเงินอย่างเดียวคำถามจากคุณนาวานาวี กราบเรียนถามพระอาจารย์เครือญาติชวนไปงานวันเกิดพ่อแม่ก็อยากให้โยมและครอบครัวไปด้วย แต่โยมไม่อยากไปอยากอยู่บ้านเงียบๆใจหนึ่งอยากตามใจท่านให้มีความสุขแต่ใจโยมจะทุกข์เสียเองโยมควรมีความเกรงใจเห็นแก่ญาติเห็นแก่พ่อแม่หรือควรทำตามความต้องการของตัวเองโยมคิดมาตลอดว่าเอาใจคนอื่นในเรื่องไร้สาระแต่เวลาเราตายไปก็ไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยเราได้สักคนเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังอยู่ในสังคมอยู่เรายังมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่ เราก็จำเป็นที่จะต้องทำตามกฎทำเนียมประเพณีของสังคมเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปงานของใครเราก็ควรจะไปบางทีคากิเลส ข, ของเรานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราไม่อยากไปโดยอ้างว่ามันมันวุ่นวายมันไร้สาระแต่ความจริงมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้คนที่เราอยู่ร่วมกันนี้มีความน่วมเงยือนเป็นสุขก็ต้องไป มีคำถามจากคุณสราวุธบ้านฉางผมขอถามหลวงลุงสุชาติผมโดนเบี้ยวค่าเช่าตึกสองชั้นไปเวลาสามเดือนผมจะทำอย่างไรครับโอเคว่าเป็นการทำบุญไปแล้วหลันไม่ต้องไปเสียเวลาไปวัดข น, นข้าวขนเงินทองไปถวายวัดก็มีคนมารับบุญจากที่บ้านเราเลยก็ยกให้เขาไปเป็นการทำบุญไปเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจเราก็จะมีความสุขขึ้นมา คำถามจากคุณพันธิวาถ้าจะบวชและต้องการตัดนิวรณ์ความห่วงใ ย, ยให้เด็ดขาดควรบวชวัดที่อยู่ไกลๆบ้านใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ถ้าอยู่ใกล้กันพอเห็นหน้ากันมันก็จะเกิดความห่วงใยกันขึ้นมางั้นก็ให้เราตายแบบยังไม่ตายดีกว่าจะไม่ต้องเจอกันอยู่ไกลๆไปที่ไกลๆเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนได้ยิ่งดี เขาเขารู้เดี๋ยวเข า, าตามไปหาเราพอเห็นกันแล้วก็เศร้าเวลาเห็นกันใหม่ๆก็ดีใจพอเขาต้องไปนี่ก็เศร้าดีไมด่ดีเดี๋ยวอยากจะกลับตามเขาไปก็นี <c oughs> คาถามจากคุณวายุสุริยะกราบนามัสการถามหลวงพ่อครับบรารมีสิบทัศน์เราไม่รู้เลยว่าเราเคยบําเพ็ญมาเท่าไร่แล้ว แต่ถ้าหากชาตินี้เราตั้งใจบาเพ็ญจะมีโอกาสเต็มได้ไหมครับหากว่าอดีตชาติเคยบาเพ็ญมาเพียงน้อยนิดแต่อยากนิพพานชาตินี้ได้ทุกคนทำได้ถ้าทำมามากแล้วมันก็ทำทำเพิ่มขึ้นไปอีกไม่มาก ก, ก, ก็กจกถ้าทำมาน้อยก็ต้องทำเพิ่มให้มากขึ้นไดงเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มเมื่อวานนี้เราตักได้แค่สงขันนี่เราก็ต้องวันนี้เราก็ต้องตักให้มากกว่า ถ้าจะให้มันเต็มแต่ถ้าเราตักมาครึ่งถังแล้วครึ่งตุ่มแล้วก็ตักไม่มากก็เดี๋ยวก็เต็มนั้นมันอยู่ที่ว่าอดีตรเราทำมามากมาน้อยแต่เราเราย้อนกลับไปไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปกังวลนะเพราะว่าเราสามารถทำให้มันได้ในวันนี้ทำให้มันเต็มได้ในวันนี้ถ้าเราไม่ขี้เกียจเท่านั้นเองคำถามจากคุณอนันดา โลกทิพย์เป็นอย่างไรครับเหมือนเป็นบัญญัติอันหนึ่งอะไรเรียกว่าโลกทิพย์ครับขอบคุณครับก็เวลานอนเวลาเรานอนหลับเนี่ยใจเราจะอยู่ในโลกทิพย์อย่างเดียวเพราะร่างกายเราไม่ทํางานมันไม่สามารถออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจมันก็จะอยู่ในโลกทิพย์แล้วมันก็จะปรากฏเป็นความฝันขึ้นมาฝันดีฝันร้ายเนี่ยฝันดีก็เป็นผลที่เกิดจากการทําบุญมากกว่าทำบาปฝันร้ายก็เกิดจากการทําบาปมากกว่าทำบุญ คำถามจากคุณไอบ้านั่งสมาธิประจำแบบสมถะสมาธิตามลมเข้าออกพุโทโธแต่ขาดขันติมากแบบนี้ใช่ไหมคะก็ดูลมก็ได้พุโทโธก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้สองอย่างก็ได้ใช้อย่างเดียวก็ได้ใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้แล้วแต่เรา คำถามจากคุณปอนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เห็นอะไรเลยมืดอย่างเดียวถือว่าดีไหมคะดีดีกว่าเห็นเห็นแล้วทําให้เราอาจจะเป็นบ้าได้บางทีเห็นแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาก็เหม่เห็นสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่น่ารักก็ไปยึดไปติดไปหลงไปชอบอก็จะทําให้หลงทางได้การนั่งสมาธิต้องการทําใจให้ว่างให้เย็นให้สงบให้สบาย คำถามจากคุณนิสาอุทิศบุญกุศลจะได้บุญใหม่คะบุญนี้ต้องอุทิศได้ด้วยการทําทานเพราะการทําทานนี้สําเร็จผลขึ้นมาทันทีพอเราบริจาคไปปั๊บใจเราเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาทันทีแต่บุญอย่างอื่นเช่นบุญจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมันยังไม่เกิดยังใจยังไม่สงบจึงไม่นิยมใช้บุญแบบนี้มาอุทิศเพราะมันรู้จะได้เมื่อไหร่ นั่งสมาธิบางคนเป็นปีๆกว่าจะสงบสักครั้งนึงเห็นเวลาอยากจะอุทิศบุญให้ใครแบบรวดเร็วอาหารจานด่วนนี่พอเราไปซื้อเนี่ยแมคโดนัล์ฟซีไปปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยถ้าไปร้านร้านที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งเนี่ยจะต้องนั่งรอนานหน่อยมีของคุณนาวานาวี เมื่อครูที่โยมถามเรื่องไปงานวันเกิดพระอาจารย์ตักเตือนว่าที่โยมไม่อยากไปอาจเป็นกิเลสของตัวเองกิเลสตัวไหนคะของความเมตตาโยมจะน้อมไปปรับปรุงเจ้าคะ่ะตัวตัวกิเลสไม่อยากเนี่ยวิภาวะตันหาไม่อยากทำในสิ่งที่เราไม่ชอบบางทีมันเป็นหน้าที่เราก็ต้องทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเราก็ต้องทำแล้วเราทำแล้วความหงุดหียดใจก็จะหายไป พราเราถือว่าเป็นการทำทานแบบเสียสละเวลาของเราทำประโยชน์สุขให้กับคุณแม่บ้างให้กับคนที่เราไปงานบ้างเพราะเรายังอยู่ในสังคมอยู่แต่ถ้าเราไปบวชแล้วที่นี่ไม่ควรไปอย่างเด็ดขาดเพราะตอนนั้นเราตัดตัดอย่างถาวรนะใครจะเป็นจะตายงานอะไรไม่ไปไม่ไม่เสียหายนะเราปฏิเสธได้คำถามจากคุณราชานิโคจัง กำหนดสติทั้งวันตอนเผลอไปคิดเรื่องทราบซึ้งใจในพุทธในพุทธธรรมสงศ์ซึ้งใจในพระพุทธพธรรมพะสง์อย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะใจมันสะเทือนเท่ากับที่เคยเห็นใจกลัวมากๆตอนไปนั่งที่หน้ากลัวเท่ากันแต่คนละแนวพอรู้ทันมันดับไปเลยอันนี้คืออะไรครับไหนอ่านตอนต้นใหม่นะ คุณราชานิโคจังกำหนดสติทั้งวันตอนเผลอไปคิดเรื่องทราบซึ้งใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจมันสะเทือนเท่ากับที่เคยเห็นใจกลัวมากๆตอนไปนั่งที่น่ากลัวเท่ากันแต่คนละแนวกันพอรู้ทันมันดับไปเลยอันนี้คืออะไรครับก็บางครั้งเราก็เผลอบ้างสติไม่ใช่ว่าเราจะสามารถที่จะมีสติได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันเกิดความรู้สึกที่ดีก็ไม่เสียหายตรงไหน ถ้า้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็ต้องรีบดับมันเสียเอาหนึสติกลับมาดับมันไปคุณพันธิวาทำไมพระอาจารย์ดูมีความสุขอิ่มเอิบตลอดเวลามากกว่าเศรษฐีหมื่นล้านครับเพราไม่มีเงินเพราะไม่ต้องใช้เงินมีคนมีคนดูแลให้ทุกอย่างเช้าก็มีข้าวกินบ้านก็มีคนจ่ายค่าน้ํำค่าไฟให้ค่าเช่าบ้านก็เขาก็จ่ายให้ทั้งอย่างก็เลยไม่มีอะไรต้องมากังวลนะ สบายใจยังไม่มีคำถามทรมา <Okay. S 2> ุกค่ะหมดละเอเอาท่านนี้ก่อนก็นแล้วกันยงมีอะไรกระถางอีกไหมโอเคก็ okay. ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธาธุ